50 languages. 59. u n e ที่ทาการไรส์ี Post office. ที่ทาการไพรส์นีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนอั้กละ post office ที่ทำการไพรส์นีใกล้จากที่นี่ไหมกียวอักลาโ o สต์ออฟ c e อย่างสิดูร์เหตู้ไพรส์นีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนอักลาเลตะ letter box คหินเหดิฉันต้องการสแตมป์สองสามดวงมุจเเยกุชด a r k ิก c k e t คิดจะรุระเทสำหรับการ์ดและจดหมาย पोस्टकार्ड और ख त के लिए। कासॉंग प्राइसनी भ प्रै ा अमेरिका राखा तहराई। अमेरिका का टिकट कितने का है? प स दूँ नक तहराई। पैकेट का वजन कितना है? डी चंसॉंग थांग जोटमाइ आकार डेमाइ? क्या मैं उसे हवाई ज ह ा ज से भेज सकता हूँ? ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึงว่าพ่อชินเนมกกี่นาวัตต์กาดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนมก์กาฮาซีฟอน์กัลตูตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนอักละทลิฟูนบูธกาาหคุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ क्या आप के ดा स รศัพท์ไหมคะคุณทสมคุณทรสโทรศัพท์ไหมคะุณโทรศัพท์อเทไหมคะคุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะคุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ क ุณทราบรหัสโทรศัพท์ของปรอสรครสัขออคะครขอะออไมะคะเทศอต สายไม่ว่างตลอดเวลาไลน์มักจะมัศรุุฟอยู่ตลคุณต่อเบอร์อะไรคุณต้องกด0ก่อนสับส์เปเร่ย์0ดाล ल करें